วันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรนะมอนพระไม่เกี่ยวอะไรกับโยมวันพระเกี่ยวอะไรกับโยมฮะ ออืืมกระแสอืมกระแสพระช่วงนี้เป็นไงบ้างแม่แม่ถาวเนี่น้อยบิดาบาตรได้กินไหมเปล่าเมื่อก่อน มีเรื่องที่คนใส่บาก็หายหมดมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยปฏิบัติกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ชา ต, ติก็ยังไม่เข้าใจหลักการวิธีการแยกไม่ออก <c oughs> อันนี้ก็แบบยองมาเรื่องแกบยอ หนึ่งบนพื้นทั่วไปอะไรยังแย่ไม่ออกคือเรื่องไว้เป็นเรื่องแหละเข้าใจเรื่องเขาเรื่องเราพระอาอเขาโอเจียงไม่เข้าใจวันนี้เป็นวันที่เราน่าจะ ปัปนญญาอิโกคือน้อมก็หาที่อืน่นผู้เจ้าหลังจากตัดสู้แล้วคนนัง่งพนาวนี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบ้าวันสวยมุติสุหลังจากเดือนหกผูต้ตัดสู้แล้วตัดเรือดหก ตอนนี้นเดือดแปดเขามาพิจารลาสิ่งที่พระองค์ไง้รู้ได้เข้าใจแล้ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ดก็ดีปัจจุบันก็ดีมันไม่ใชใครก็จะแก้ได้ง่ายนากจากบุคคนที่เกี่ยวข้องกันมนาวันนี้ก็เช่นเดียวกัน หลายคนเป็นคำถามเพื่อเอาสัญญามาถามสัญญาคือความจำได้มาดูมาถามว่า <c oughs> ก็ในเมื่อวันนี้ผู้จาเทศกันแรกแล้วประสบความสำเร็จควรไงจริงๆ ฟังแันห้าคนนั่นเองประสอบสนเทศก็คนเดียวนั่นเองคำถามคือทำไมไม่เอาเทศนาหรือเทศนากันแรกก็ดีกันทีน่สองก็ดีกันที่สามก็ ด, กดีมาพูดต่อเครื่อไม่ใช้คุณอย่างไง อันนี้คือสัญญาณสัญญาคือความจำได้ไม้มันไม่แปลว่าาพูดเรื่องนี้แล้วคนทั้งโลกจะได้ผลประสบความสำเร็จก็เหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันเรารู้หรือไม่ว่าก่อนหน้านั้นในอดีต ที่ผ่านมาไม่รู้เกี่ยวกับกันอะไรท่านเหล่านั้นบําเพ็ญมาท่านเหล่านั้นตัง้งจศจีลอาลัยถวานปราทานาต่อกันเลยกันเพราะนั้นคือที่มาว่าเราเราพูดเราพูดไม่หมดพูดแบบเอาความเข้าใจตัวเองว่าที่เราทำานี้แล้วได้ผลคือเอาความจําก็คือสัญญา แต่เราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ว่าโครงสร้างรูปคำพูดที่พระอง์เอามาปดิษฐติปฏายปฏิบติต่อเป็นรูปแบบเป็นโครงสร้างอันนั้นก็คือไทยพวกโดยทั่วไปพู้เจ้าเวลาเทศเราจะไปโปรและพูดงง ถ้าเพิเจารณาก่อนคือไม่ใช่ว่าเห็นหน้าใครก็จะเทศนให้ฟังไม่ใช่เห็นหน้าใครก็นั่งนั่งนั่นั่งก็เทศนให้ฟังมันไม่ใช่มันมีเหตไม่มีปัจจัยให้พิจรารณาพระอาจารของเราเคยกุฏทรงงานหนักมากไม่ใช่หนักธรรมดา ดูพุทธกิจของพระองค์ในแต่ละวันต่อยอดระยะเวลาสี่สิบห้าพันศาลจัดสี่สิบ้าพันาบวชสี่สบห้าพันศาเพราะนับหนึ่งสามสิบอันบวชยีสเก้าตัดสรุปรางกันนั้นหกปีพอถ้นับพันศาก็สี่สิห้าพันศา ถ้ า, เ, า, เ, าอออเป็นภาษาพระน้อตลอระยะเวลาสี่สิบห้าคือคือองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแต่ละวันเป็นองค์แต่ละวันเช้าบ่ายค่ำดึกโใกล้สว่างร่องเวียงงานในการทำงานโดยข้อเวลาคู่ทัองสองคือเวลาจำวัดเวลานอน รับพูดง่ายคือการ น, นอนเรารู้หรือเปล่าผู้เจ้านอนกี่ชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงเราเคยศึกษาเรียนรู้เคยอ่านเคยจำไหมไม่ในวัยที่แปดสิบปีการทำงานของพระองค์ จึงเป็นที่มาคําเปรียบเทียบพิเศษเขาบอกว่านักปฏิบัติธรรมจริงขเขาออกพุทธเจ้าว่านะพุทธเจ้านอนสือเสตืดนอนหกยาจกนอนแปดถ้าใครอยากเป็นยาจ ก, กนอนสบายกลางหัวคําเปนสว่างอยากเป็นยาจกถ้าเป็นเศรษฐีก็นอนแค่หก เป็นนักปฏิบัติที่ดีอยเราพุทธเจ้าเป็นะนนอนแค่สี่นอนแค่สี่ที่นี่นหลวงปู่เราวางเปล่หลวงปู่นะี่มาถึงหลวงปู่ชินประธานเจ้าหลวงธรรมชาติธรรมเย็นทุกวันธรรมเย็นเสร็จก็หลวงปู่ก็จทะเทเท่าที่มีอยู่ขึ้นเท่าไหร่ก็เทศเท่านั้น เป็นกิจวัตรประจำเท Allison, ิดเสร็จก็มาเข้ารำวัดเสร็จก็เริ่มับเทิอันนึงือพักนอนคำายูไปนอนฟัาพักดึกที่สามคุณนวัดแล้วแต่ละครั้งเร่งจต่มัดกันแล้วในยุคหลวงปู่นะอันนึงกิจวัตรคือหลวงปู่พาทำก็ยิดเอาพุทธเจ้า เป็นหลักส่วนวันพระอนะันสามเวลาก็คือเช้าบา่ายค่ำมากี่คนมีเท่าไหร่ปู่ก็เทิดขึ้นมามากก็เทิเมื่อก่อนเทิดในโบสถ์ศาลาหลังนี้เป็นหลังไม้เก่าเป็นที่พักผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนมาสามรุ่นละศาลาเราเนะีเปลี่ยนมาสามรุ่นละรุ่นแรกเป็นศาลาหลังเก่าส้ม ตัวที่สองก็คือไม้ืึ้ปูนก็มาลืดมาหปีสองพัห่ง้ยี่สิบห้าังที่สองลือสร้างใหม่ลังที่สามกันเนี้ยผม็น่าจะชั่วนาตาปีละอันนี้คือกิจวัตรที่องค์หลวงปู่ท่านพาทางแต่งนี้ยเปื่องรงพุทธเจ้าของเราเรื่องกาก็สทรงงานด้วยการเดิน เดินเท้าห น, นี้ถ้าใครไปเคยไปอินเดียแกพุทธคยา เ, า, า, าเราียนชราวไปพาราสีเขานั่งรถเนี่ยหลับแล้วหลับอีกทางสมัยก่อนไม่ได้ไปหลายปีแล้วตอนี้น่าจะดีขึ้นเมื่อก่อนหลับแล้วหลับอีกก็ยังไม่ถึงแกพผู้เจ้าเสด็จ โดยการเดินทางเทา้ากิจดุแล้วประเจาวิชีร์ก็เช่นเดีกันเดินไปหาประเจาวิชีร์ที่ตายอิศิปตาณัมาลืกไทยวันเดินไปหาเพื่อไปโปรดกเพื่อไปบอกไปการกับฤาษีตั้งห้างเปื่อคนทัญญาขปะปฏิยามหาธระ ม, า, รม า, ราสชัชิซึ่งกนทัญญาเขาเอาโศบว่าเพื่อน เป็นหน่วยพรามณ์ที่ทํานายพุทธศาสนะตั้งชื่อของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ว่าเป็นทางเดียวทา ม, ม่ อ, อื่นทนํานายเป็นสองทางคือทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมแต่ท่านโคดัญญะนี่ท่านทำนายาบะบวชแล้วจะเป็นศาสดาดูควาเชื่อนี้พระพุทธเจ้ า, ากระแดกไปติดตาม พอตอนหลังผู้จะคลายความเพียนคือคิดเอาเองละผู้จะคลายความเพีง้งหลังจากความเป็นทุกร ก, กิริยาหกปีผู้จะทดสอบทดลองเลยเพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วพระองค์ทาให้เราเห็นหมดทุกอย่างจนทรมานตรกรรมอดข้าอดน้ําโดยจหนังหุ่มก็ดูหรือดูเห็นตุสิโครงอะ่ะก็จะเห็นผู้ทั่ปางบเป็นทุกร ก, กิริยา พระนทุกอย่างที่ พ, ออพระองค์ทาทดสอบทดลองในยุคนั้นจะเป็นครูทั้งหมเขอก็เป็นครูดังๆในยุคนั้นทำน้าหมดเพราะนั้นวันนี้จึมเป็นวันสำคัญที่วันผงบอกว่าผู้ยาญ่หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะเผยแผ่สนติธรรมที่พระองค์อาจจะ คนที่มีสติปัญญาคนที่มีบารามีคนที่เคยร่วมทำงานกันมาก็มีอยู่ตัดสิในใจว่าอยู่โปรดพระเจ้าอุทิศคู่คราส้วนนี้ก่อนเข้อบัญญัติพระดาอันนีส้สองเพราะนั้นวันนี้จึงวันคือรัตนากายขบบุมจะจับษ์ปัญญาคือพระพุทธกรรมทั้งสองนั่นเอง ขอบจสาารณคมในวันนี้เพราะนั้นสำคัญที่สุดทีด่ที่โดยจะต้องคำหนึ่งจะต้องทบทวนในชีวิตประจำวันก็คืออันนี้แหละแต่ไน่นไช้าหลวงพอพูดสามคำพันสามไม่ต้องไปย้าอะไรมากไม่ต้องไปพูดจนน้ำลายไหลฟอดก็ก็ไม่ได้เลยครับบาน พรษาเนี่ยเอาตีโจทย์ให้แตกฝากโจทย์ให้เราเอาให้แตกเป็นคำพูดไม่เช้าคือภาษาไทยไทยเรานี่แหละเราพูดแล้วแต่มันจะฟังแล้วดูไม่ค่อยดีถ้าใครฟังแล้วไม่ใช้สติปัญญามันจะดูออกไปทางขอบไปทางลบๆนิดนึง นั่นคือคำ ว, ว่าสงบสติอารมณ์เราเคยใช้ไหมเคยได้ยินไหมถ้าพูดคำนี้พวกมันแสดงว่าคนน่าจะมีปัญหาเราก็เลยบอกว่าสงบสติอารมณ์พัรษาเ น, นี้เอาตอนนี้เป็นโจทย์นะฝากเราเลยเป็นโจทย์ ก็คือคาถามก็มจะหาคำตอบคำถามแรกสงบสงบยังไงสงบกายสงบวาจาสงบใจมมีความหมายลึกซึ้งที่เราสับสนวุ่นวายเดือดร้อน ไปตามสัญญาอารมณ์ก็เพราะขาดความสงบวันนี้ที่เป็นปัญหาเ น, นี่ก็เพราะขาดความสงบวันนี้แล้วคนที่ไม่สงบไม่ต้องคนอื่นหรอกถ้าไปดูคนอื่นมันไม่จบเป็นพันเป็นล้านคนดูตัวเราเวลาจิตมันไม่สงบมันเป็นยังไงคผลมันเป็นยังไงสรุปคือกระปัต การปฏิบัติทำ ก, การดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นเรามาเป็นร้อยเป็นพันเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเราอย่าไปดูความดีความไม่ดีความชั่วความเลวของคนอื่นให้ดูตัวเราว่าถ้ามันจะคิดเปิดหนึ่งดึงกลับมาหนึ่งคำวามาสงบคําว่าดึงกลับมานะคือสติคําที่สองคำแรกสงบสติ คือดึงกลับมาตัวเองเออไม่ใช่เรื่องของเรานะเหมือนทุกวันจะรับาเสฟข่าวกันเสร็จแล้วก็หดหูว่าโอ้พระสมัยนี้ทำไมเป็นถึงขนาดนี้พระบ้านเราเป็นเสนๆไม่กี่รูปเองพระก็คือมาจากชาวบ้านและพวกง่านๆแต่ก็เป็นธรรมกระลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเหมือนพวกเราเนี่แหละ อั น, นึงก็เอาพระเหลือยงมาหอมก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นพระ อ, อริยพระอาห์นั่นแะแต่นั่นก็เพื่อนคนอื่นเขาเขาทําเขาก็ได้เราทําเราก็ได้เราคิดอย่างนี้มันในกสติดึงกลับมาไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรือว่กากันปฏิบัติธรรมน่ะคือปฏิบัติคือการดูตัวเองดูความดีความไม่ดีของตัวเองให้ตั้งหลักไปอย่างนี้หลักของคิดอย่างนี้มินงนั้นมันก็ไม่จบ อันก็คือควาสติสงบสติอารมณ์อารมณ์ส่งทีรัมมาปิโกจิพัสสะรับนี้มีผลสามอย่างก็คือสุขทุกข์อุปเปกขะพูดง่าคือชอบไม่ชอบเฉยเฉยเรื่องภาษาเรา แต่สติมันไม่ทันพอชอบไปก็หลงไม่ชอบไปก็เป็นทุกข์ไอ้ัูที่ชเฉยๆมันก็ค่อยมีฝึกให้เข้าใจทั้งสามอย่างทั้งสามอารมณ์ที่มันมีอิทธิพลต่อเราในชีวิตประจวันเรื่องอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราใช้บริการอารมณ์มากกว่าสติ แปลว่าอารมณ์นำน้องเราก็ตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยสติมันถึงได้เป็นอย่างนี้ตั้งสติมากับอันที่จะตื่มารูว่าใช้อารมณ์มันเป็นอย่างนี้คือผลของการเป็นอย่างนี้ถึงแม้ชอบประตามไม่ชอบประตามมันก็ชื่อว่าติดคือติดชอบ ติดไม่ชอบแม้แต่เฉยๆคืออุเบกขาที่อารมณ์ที่เป็นฌานก็ตามบางทีก็ไม่รู้ตัวจิตมันวางอุเบกขาคือเพ่งอยู่เฉยๆมันเหมือนกับไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกับพ้นแล้วมันติดดั่งตังขนาด น, นั้นเหมือนตัวเองไม่มีอะไรแล้วในอารมณ์เข้าแจตัวเองก็หมดพ้นแล้วนี่ลกูลกปูลก่ลกูกพ่อทั้งหลายแหละท่านผ่านสิน่ง น, นี้มาหมดแล้วบางองค์อยู่อย่างนี้เป็นสิบสิบปีก็เข้าใจว่า ความโลภความโกรธความหลงกระทบแล้วมันวางได้กันทีวางได้กันทีเข้าใจกันหมดแล้วเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการปฏิบัติธรรมสุดท้ายเราไม่ได้ทําเพื่อเอาโลกนั้นก็ทําเพื่อเอาผู้ใดทำเพื่อได้เพือโลภะโลภะแปลว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นคำ ว, ว่าโลภะความหมายของเขากเป็นอย่างนี้คือทนะําแล้วมันต้องได้ ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทํามาทำไมโลกของเขาก็จะทาอย่างงี้เจนทํางานแล้วต้องได้ตังค์ทาค้าขายต้องได้กําไรทำอย่งงี้ก็รู้ขาดทุนโลกเขาตั้งเป้าไห้อย่างนัะแต่เราม่เคยคิดว่าชีวิตเรานเกิดมาม่คิดว่ามันมีกําไรหรือขาดทุนไม่มาเามาใช้กับชีวิตเราเลยพอไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้กําไรขาดทุนนก็ไปใช้กับอย่างอื่นทาค้าขายแต่พอเอากับชีวิต ยิ่ ง, ยงกตัวเองยังไม่รู้เลยว่ากําไรหรือขาทุนเพราะฉะนั้นโดยสภาพของโลกธรรมชาติของเขาคือเขาทําเพื่อได้เพมีก็เป็นพูดอยังไงทําเพื่อเอามันคือโลกนะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ก็อยู่เพื่อเอาแต่เีื่องตร่าฝ่ายทำเราโลกกระทำเราโลกกลับทำ ทำใ네นทำเพื่อไม่เอานะไม่แต่รูปประชานรูปประชานที่รูปหยาบรูปละเอียดก็ดีสุดท้ายก็ชึ้งก็คือไม่เอาคือวางสุขทุกภูนี้ที่เป็นอารมณ์ของฌานสุดท้ายทั้งก็วางเราก็ทําเพื่อจริงแต่ถ้าจิตเรายังคล้องอยู่เมื่อวานแล้วนั่งมาสงบดีอาทิตย์แล้วนั่งทสงบอยากไดอก้อยากให้มันมีเอกทำเพราะความอยากนัน โดยไม่รู้ตัวเพราะทำเพื่อจริงไม่ได้ทำเพื่อเอามันได้จริงแต่มันจบไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วแปลว่าในขนาดนั้นอ่ะความรู้สึกเรองคิดป ร, รุงแต่ตงริงที่าปรงุงอ่ะมันเป็นเรื่องของอ ด, ดีตคือเป็นเรื่องของเมื่อวานซึ่งมันจบไปแล้วก็ยังมาปรุงอยู่เมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวร้านนะอร่อยอร่อย นั่นมันเมื่อวานมันจบไปแล้วนะแต่มันก็ยังอร่อยอยู่นะนี่มันมันชิงไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ติดโดยที่เราไม่รู้ติดเพราะสติขาดสติม่อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นผรู้อย่างเหนึ่ง่าสิงที่เราควรจะอยู่คือการใช้ชีวิตเนี่ยเขมาอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไป ชีวะมัะก็เป็นอยู่ชีวิตควรจะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้ว่าจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามกาหนดทุกข์ในพูะุทธเจ้าใช้ว่ากาหนดไม่ได้หันละแต่เราก็อีระอยากละไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้ ม, ม, มันเกิดนี่เขาเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าตั้งแต่เรก ผู้เจ้าพูดชัดเกิเหมือนวันนี้คําแรกที่ผู้เจ้าสอนโดยภาพรวมเรียกธรรมะจักกะประวัตินะสุตตะสุตะนันคือสูตรสูตรที่เคได้ยินได้ฟังมาธรรมะจักกะจักกะนับไปว่าล้อเพื่อวงล้อมันหมุนเวียนอยู่อย่างวงล้อมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันหมุน้วยอะไร ไปตามน้หมุนถ้าบรรจุเมื่อไหร่กระเหมือนก็ตัวเรานะ่ตัวที่เราทำไมเราหมุนถ้าพูดหนึ่งคำว่าหมนุนนี่ใหผ้ผู้เรานึกถึงโบราณจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากมากคนโบราณเขามีรถไหมไม่มีใช้อะไรใช้กุยเรียนอะไรลากกุียนหรือไม่ได้ใช้คนลากเนาะ ใช้โคแฮกเอร์เอร์ลากแล้วมันเป็นธรรมะตรงไหนไมันเป็นธรรมะตรงไหนผู้จะจัดตรงนี้มโนฟังกมาทำมามโนเสตามโนเบียบมน ม, น ม, นมต้องไปฟังต้องไปจำสรุปคือจากการละรายตัวพลังถ้าเปลนง่ายก็คือถ้าเป็นอธิบายเป็นภาษา พูดเราง่ายคือเตวาวมื่อมีเกวียนกวียนเล่มหเกวียนก็เรียกเป็นเล่มเนาะแปลกเลยทำไมไม่เรียกเป็นอันเป็นคันมันรถเรียกเรียกเป็นเล่มมืนเข็มเกวียนนี่มันก็ไม่ล้อตัวที่ทําให้ล้อหมุนก็คือตัวที่ลากมันนั่นแหละถ้ามันไม่ลากมันก็ไม่หมุนมันก็ไม่ไป แต่โครหรือวัวกระบือเนี่ยมันจะลากได้มันต้องมีคนบังครับมันมันบอกให้ไปมัน ก, ก็ไปถ้าพูดมีเรื่องเขาแค่ประตักประตักเจิ้มไปสะดุงทีมันก็พุ่งไปข้างหนาง้าก็เรยประตับเล็กแห ล, เลมเจมเข้าไปธรรมะจากกับประวัติณะคือลักษณะอย่างนก็คือตัวที่มันลาก ลากเราไปก็สองตัวคือในบุญกับในบาปนี่แหละจะลากเราไปทุกวันเมื่อในบุญในบาปลากไปเสร็จร้องกับมนไปเรื่อยๆตราบใดที่เจ้าตัวมันยังลากไปอยู่ยังมีคนบงังคับอยู่คือจิตมันลากอยู่ันจิตเพราะมันไม่หยุดคาว่าหยุดพวกเจ้าแยกกับว่าสมาธิสมาธิคือหยุดเราแยกกัว่าส ง, งบ ให้มันหยุดคือใจเรานะให้อยู่กับตัวให้ใจเราอยุดกับตัวให้ใจเราอยู่กับบ้างเมื่อเช้าหลายครั้งก็จะเป็นคนถามอย่างนี้นเรื่องสงบสติอารมณ์อธิบายชัดเจน มันมันแยกกันไหมมันเอาข้อยิงมันไม่ได้แย ก, กเหมือนศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดทางปริยัติศีลก็อีกเรื่องหนึ่งสมาธิเรื่องนึงปัญญาจริงมันไม่ได้แยกกันสติเรื่องหนึ่งปัญญามันไม่ได้แยกกันเพ่อจะเปรียบเทียบไปฟังเปรียบเทียฟังเหมือนข้างนอกข้างในเหมือนตอนนี้ในบ้านตอนนี้หมายถึงบ้านเราใ น, นบ้านเรามีคนอยู่มาเยอะแ น, น่พ า, นนาออกไปข้างนอกออกไปนอกบ้านอื เหมือนกายเราตอนเนี้เราออกจากบ้านสมมติเราทำงานเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เรื่องเขามาอยู่วัดอาคารเหมือนข้างหม้ทุกวันนั้ น, นมันเปรียบเทียบเหมือนกั น, นี้ยเมื่อจิตเรากับบ้านเราผู้อาศัยอาคารนั่นก็คือร่างกายร่างกายคืออะไรมันก็คือถ้าเรามองดีๆเลยความจริงถ้าเรามองว่าเป็นอาคารเป็นตึก เป็นห้องอันนี้เป็นสัญญาพระเป็นปัญญาบอกว่าผู้เจ้าบอกว่าอย่างไรก็กลับระที่ผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าร่างกายของเราคือดินน้าไฟลมดยอาคารมีเป็นดีไหมเกิจากน้ำไหมมีไฟไหมมีลมไหมเนี่ยถึงทรงนี้ดินน้าไฟลมอยู่นีไม่อยู่ตัวไปอยู่ข้างนอกไปตากแดดไปตากฝน แล้วก็บอกโอ้โอมื่จะออกไปข้างนอกฝนฝนตกเปรี้ยงผมออกไปข้างนอกมันร้อนโดนแดดมันร้อนเขาบ้านนี้ให้อยู่ไม่อยู่จิตอยู่ข้างในร่างกายดีดีดไม่อยู่ไปไปตากแดดไปตากฝนแล้วจะไปโทษใครเพราออกไปข้างนอกเองออกไปทอกบ้านเออ แต่นั่นมันคือสัญญาถ้าเกิดปัญญาก็มานะอราเราออกไปนอกบ้านเองอ่ะไปหาเรื่องเองอะ่ะเออเพาว่าอยู่ในใจ เ, เนี่ยเพราะนั้พภาษาการ์ะคือให้อยู่กับบ้านนี้เยอะหน่อยเพราะอยู่ในบ้านหนึ่งก็ใช้สติปัญญาสามคำเนี่ยคือดูความสงบของมันเพาจะเป็นอะไรบวชใดก็ตามยืนเดินนั่งอยู่เว้นนอนนอนสงบแ น, น่นอนสงบยาวเลย งบยาวถึงเช้าเลยงบจะไม่พอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน่นดีเห็นรลกสวรรค์เร็วว่าฝันเร็วสุบินเร็วนิมิตจริงจมันก็อารมณ์เดียวกันเราเรานั่งลก็เร็วนิมิตนัง่งเรียกวนิมิตเรานอนก็เรียก ว, ว่าฝันอันเดียวกันว่าตัวนั้นแหะตัวที่มันไปก่อภพก่อชาติไปเกิดข้างหน้าก็คือตัวนั้น ไม่เกี่ยวกับดินน้ำไฟลมอันนี้นี่มันดินนี่มันน้ำนี่ไฟนี่มันลมวันหนึ่งเขาก็าต่างคนต่างไปของเขาแหะต่างคนต่างอยู่ของเขาแต่เราไปคิดว่าเป็นของเรา เ, เราเนี่ยเราคือใครก็ไม่รู้เราคือใครพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าตัดสองคำออกเรากับเขาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้าเราตัดนะตัดด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปคิดเอาเองนะต้องมาเกิดปัญญามันถึงกัตัดเพราะนั้นสติปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ได้แยกสินสติปัญญามันไม่ได้แยกในทร่องปฏิบัตินะถ้าเราตัดออกอย่างนี้ได้เนี่ยดินก็ปนนะเป็นดินน้ำไปน้ำไฟเป็นลมลมมันก็คือเราเรียกว่าโลกเนี่ยมันไม่มีชื่อไม่มีแสบใดๆทา้งสิ้นเลเกิดมาก็ไม่มีมีไหได้มีชื่อมาก่อนไหม ศักสนตแข่งมาไหมไม่มีอะไรใครก็ไปตั้งนดยแดงนายดํนายขาวดองตุ๊กตา้องอะไรก็ไม่รู้น้องไ ก, นงกนะ่น้องคอบเลยในชะ่ไหมน้องคอปเลยนะก็ได่เห็นน้องคอบเป็นจริงเลยเนี่ย ใ, ใครๆก็ไม่รู้มันก็เลยเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราตัดออก ไม่มีเราไม่มีเขาบางเกิดดีน้ำไฟลมถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ที่แรกอตัวที่สองคือสตินสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลเแล้วสติไม่อยู่เมือ่อความสงบมันไม่มีสติมันไม่มีแค่อะไรใช่อารมณ์ก็อยู่กับอารมณ์อารมณ์เกิดอันที่อยู่ของอารมณ์คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโอสถภัค เป็นใหญ่ก็ใช้่คเนี้ยใช้รูปเป็นใหญ่ใช้เสียงใช้กลิ่นใรสเป็นใหญ่พอสุดท้ายคนทั่วไปก็ใช้กันอย่างนี้นะ่ะเพราะนั้นเราทําสิ่งที่คนทั่วไปก็ทําได้ยากคือหนึ่งคือสงอบสติแล้วก็าูดถึงอาของตัวที่ ค, ควบคุมได้ แต่ถ้าอารมณ์น้ำหนานไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่ า, ลาลมันไม่ได้ยกมไม่ได้เว้นใครมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างเนี้อยู่นานแตปีตลอดกับตลอดกลับวันนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่โชคดีที่เราได้ยินได้ฟังภูยาตจัดเรื่องธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่เราเชคิดว่าคงจะเริญนพุทธมนตร์สวดมนไปแล้วนะแต่เป็นคําภาษาบาลีจริงๆเราก็พูดถึง ถ้าสี่ขัห้าเหล่านี้แหละกาเป็นภาษารับพูดง่ายๆคือรูปร่างกายตัวตนรูปนามของเรานี่ะเรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนามให้เข้าใจเพื่อจะได้เข้าใจว่ารูปมันเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้วันหนึ่งรูปกับนามมันต้องแยกกันอยู่เมื่อมันแยกกันอยู่เราจะเกิดอะไรขึ้นจะไปทางไหนอธิ่าตายน่ะอะไรมันตายจะเราเข้าใจมันตายคือดินน้ำไฟล้มมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ เขาเข้าใจตรงกันหนึ่แล้วก็าเข้าใจแล้วพูดแทนอยัางมากเข้าใจก็ต้องสอนมันอ่ะเราจะได้อบรมอบรมอะไรอบรมใจตอนนี้ใจมันใจมันนิสัยไม่ดีอะตัวนี้เราออกไปเที่ยวลากกันมาเรียบเรีมาอบรมมันเป็นอย่างงี้นะรูปอย่างงี้นาเปียอย่างนี้คนะันไปอย่างนี้นนานมาอบรมทุกวันเหมือนอบรมลูกหลามเนะคือสอนทุกวันนะตอนนี้เราไม่สอนมันอนะ่ะ ก็ปล่อยไปป ล, ยปล่อยปล่อยป่อล้เลยอ่ะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะหลวงปู่ดุลนุ่มบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกในความหมายอย่าส่งจิตของเราอยู่ข้างนอกให้ามาันอยู่ข้างในนี้คืออยู่ใกล้ๆตัวเหมือนลูกหลานเราไปเที่ยวข้างนอกไปทำอะไรไม่รู้ถ้าอยู่ใกล้ตัวอยู่ในสายตามันก็เห็นเราสามารถจะว่าการตักเตือนได้ในคํามหมายอันนั้น ในภาษาการนี้ก็คือพยายามเอาสติให้อยู่กับใกล้ๆกับตัวให้มากที่สุดไม่วยการยืนเดินนั่งแม้แต่นอนก่อนที่มันสติมันจะหมดไปจะดับไปเขากำหนดกําหนดจะมันดับเองมันดับตังไหนท้างหัวมันเดี๋ยวมันก็ตื่นเองพอดับเสร็จแล้วมันก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาหมดไปกี่ชั่วโมงไม่รู้ เนี่ยมันมันลักษณะเหมือนพบภูมิอื่นเป็นอย่างนี้นพบภูมอื่นเขาเวลาอย่างพวกเราแป๊บเดียวก็เหมือนกับเราเนอะมันไม่รู้ในขณะที่มันเสวยเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์นั้ น, น, นมันก็ไม่รู้ว่าก็คิดว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่เป็นความฝันเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วมันเกิดนิมิตมีนิมิตมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นคําว่านิมิต ในนิเมตรมันเกิดขึ้นได้เป็นรูปก็มีเป็นกลิ่นก็มีเป็นเสียงก็มีอันนี้คือคำว่า น, นิเมตรแต่ว่าถ้าเราไปติดคเราไปคล้องไปยึดอย่างเช่นเสียงบางทีเสียงสอนธรรมม่ๆมันก็ดีเอาธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อหนนะ้น้มาสอนเออมันก็สอนดีเอาไปเอาไปนะักหนะนะักสอนอะไรก็ไม่รู้แต่เราเชื่อไปแล้วเราเชื่อเชื่อเขาไปแล้วนะ ก็วิปลาดอะคือแปลว่าเขาบอกอะไรก็ต้องทำํำก็เชื่อไปแล้วคือศรัทธาเพื่องึงศรัทธาแล้วเพราะนั่นศรัทธาที่มันสัมพยุธทธ์ด้วยปัญญามันจะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเราเป็นนิยตาก็เชื่อว่าอย่างนี้ทุกวนันก็เป็นอย่างง้คืออาศัยศรัทธาทุกศาสนาก็จะนําอย่างนี้เวก็ศรัทธาในมึงดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญา สติปัญญาตัวเองมีอยู่ไม่ได้ใชพราะั้นลักษณะการตรัสรู้ของผู้เจ้าเกิดจากสติปัญญาของพระองค์เองนี่พระองค์ถึงบอกไม่มีครูไม่มีอาจารย์นี่เขหมายมีคนหนึ่งพรามที่เจ้า อ, อที่ผ่านมาก่อนนี่เจอพรามห้าคนเยอกลางทางก็ถามว่าใครเป็นครูของท่านกครเป็นจัดจารผู้เจ้าบอกไม่มีนั่นว่าสายหว่วงเป็นไปไม่ได้ไม่มีครูมีอาจารย์สอนเป็นไปไม่ได้ เห็นที่ได้อาิสองเป็นคนแรกไม่ได้เลยเพราะไม่เชื่อไม่เชื่อเออไม่มีครูไม่มีการเป็นไปไม่ได้พราะนั้นวันนี้เราถึงโชคดีสองพันกวะเพือ น, น, นี้ถือว่าเป็นผลพวงเป็นอาิสองทาให้พวกเราได้มีในวันนี้แต่ว่าอย่าลืมนำเอาบทสรุปของธรรมจกกักรพระพัทธนสูตรที่พูดถึงสามทางไปแข่งกันไปตึงกินไป ผมจะให้เดินสายกลางคือมัจจิมาปฏิปัฏทางตัวที่เราต้องเดินก็คือสิ้นสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าพูดง่ายง่ายแต่พวกพัลานาถึงพอกันที่สองธรรมาจักอนัตอดีอดธิตามไม่เกี่ยวกันเลยอธิเป่อปลลอัมพะรอนสอนเชดินเพราะเชะดินเขาเพ่งไฟใช้ไฟพูทเจ้าก็ใช้ไฟผุทธสอนตัวกันที่สองก็คือมาย้ำกันแรก ก็คือขันห้าเนี่ซอยรู้ว่าขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาตางมันเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปรียงเป็นทุกข์คนที่ควรจะยึดเป็นถือเป็นเราเป็นเขาไมมันไม่ควรเพราะเข้าใจหลักการอันนี้สุดท้ายกันที่สองก็จะแสดงอรหันต์ทั้งหมดทั้องการแก่นนั้นได้องเดียวได้อย่างเดียวคือได้สุญญาบัตรองเดียวเหลยวได้ดวงตาเห็นทั้งได้องเดียวพระนางพระพุทเจ้เทศ การแรกคือพูดให้ฟังสค่ห้าคนระดาอันดีสงคือได้ประโยชน์คนเดียวคนอื่นวันนี้เรามาน้อมเรานึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสางคุณทึ่เป็นราตนาใจครบในวันนี้โดยเฉพาะพรรษาการนี้พานผู้เราเอาแค่สามคำไม่ต้องทำอะไรมากคือสงบสติอารมณ์เขาพูดง่ายสงบสติอารมณ์นะ ถ้าพูดอย่างนี้มาเหมือนกับอยู่เห็นหน้ากันเออภรษาเนี้ยสงบสติอารมณ์นะจะโกรธกันอีกนะี่อยู่ๆก็บอกพูด ล, ลอยๆขึ้นมาเออรรษาเนี้ยสงบสติอารมณ์นะอะไรวะจมนะันโกรธอนี่ยถ้าคิดแล้วดูความปัญญาเกิดปัญญาเออดีเนาะถ้าเรารู้จักความสงบได้ถ้าเรามีสติถ้าเราไม่ใช้อารมณ์แค่สามเดือนมันจะเห็นผลของการปฏิบัติขนาดไหนคราก้าวหน้ามันจะมีขนาดไหน สังเกตสังการโดยตัวเองพนันภาษาการนี้สามคำนี้เอาให้เห็นผลก็จะยืนก็นตามเดินก็นตามนั่งก็ตามให้มีสติอย่าไปใช้อารมณ์อื่นมาตัดสินมาตัดรอนอเราว่าันี้คือธรรมะก่อนที่จะเข้าภาษาในวันพรุ่งนี้ก็ให้แก้มงวดนิดหนึง่งกินโดยเพราะอันชี่เเป็นฝ่ายที่เป็นปฏิบัติโดยตรงบอกว่าให้ ให้ดูพระเจ้าเข้ามาดูคือศึกษาปฏิปทาพระเจ้ามาพระเจ้านะ่ะทำยังไงนอนยังไงพูดยังไงถ้าพวกเราส่องกับพระเจ้านะ่ะกินน้อยนอนน้อยแต่เป็นภาษาเราอ้าถอดใจมา ก, ก็คือกินน้อยนอนน้อยกินน้อยก็คือกินเมื่อเดียวเนี่มันต้องใช้ราษาครับคือกินอะไรก็ได้ปีชาบา็มี กิงง่ายกินง่ายจรินง่ายกิยยเมื่อเดียวนอนไม่ได้นอนเยอะอย่างพวกเรานะไม่ได้ไว้แปดสี่ก็ยังเหมือนเดิมเดียร์ปฏิปทาเหมือนเดิมพระองค์มุ่งไปที่คนอื่นตลอดเรี่ยวเราวชนชีวิตพระองค์อยู่เพื่อโปรดเป็นในสัต์เท่าทื่ยุคไขที่มีอยู่เราถึงได้อาธดชมาถึงยุคปัจจุบันนี้ส่วนเรื่อง มัอื่นที่มันเกิดขึ้นในยุทธปัจจุบันอย่าไปสนใจในเรื่องปกติมา่ถ้าใจเรามั่นคงใจเราดักแน่นในหลักคําสอนของครูพระเจ้าไม่ใช่บุคคลบุคคลมันก็เป็นไปได้หมดอะให้เรายึดหลักธรรมถึงแม้บุคคลนั้นวิถีคิตเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เราปล่อยวางเสียนั้นได้เร็วก็คือสภาวะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบั น, น เขอาจจะเสียไม่กี่ปีแนหะแต่ท่านโกรมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะสี่สิบห้าสิบปีความดีท่านก็ยังมีอยู่นะมันไม่ได้หายเลยพอพอเป็นอย่างเงี้ยเราเนิร์คไม่ออกความดีจะหมดมือนกับหาย้ปหมดเลยมันไม่ใช่นะทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ไม่ดีมันคนละส่วนกันนะความดีก็ท่านก็มีส่วนดีและไม่ดีแตมไม่เกี่ยวอะไรครับเราท่านก็รับของท่านไป พะนันอย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดอย่าไปร้อนไม่เกี่ยวกันนะเข้าตัวเองภาษาเนี้ยดูตัวเองเยอะแล้วเราจะเห็นตัวเองถ้าเราไม่ดูตัวเองเราก็ไม่เห็นตัวเองง่ายๆอย่งางเนี้ยอภาษาการนี้ก็ฝ่ายพวกเราเพื่อเป็นโอร์ในะอีโกน้อมดูตัวเองเพืจะได้เห็นตัวเองเยอะๆเห็นความคิดเห็นคําพูดเห็นการกระทําของตัวเองทั้ง ดีและไม่ดีดีก็เพิ่มเติมไม่ดีลดละเลิกแก้ไขให้มันดีขึ้นเ น, นื่อเก็เรียกว่าเห็นตัวเองขออนุโมทนาเบื้องต้นที่พวกเราทัองหลายได้มารวมกันเพื่อ น, น้อมอระลึกถึงคุณของพูะุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในวันอาสารหบูชาในวันนี้ก็ขออนุโมทนา